การของเราไม่ยอมสงบระงับแต่เพราะมันกำเริบที่มันกำเริบเพราะอะไรอ่ะเพราะเราไม่ถึงพระนิพพานนิสสัตต์ทั้งหลายนะถ้าบอกว่าถ้าใครยังไม่เบื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคนนั้นไม่ไปไม่อยากไปนิพพานและยังไม่เห็นโทษของตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่เห็นโทษของขันใช่ไหมไม่เห็นโทษของขันจะเห็นคุณของพระนิพพานไหมไม่เห็นถามถ้าไม่เห็นคุณของพระนิพพานอย่างจริงจเนี่ยแบบจับจิตจับใจแล้วคนคนนั้นจะปรารถนาเนี่ยปรารถนาพนิพพานจริงหรือเก็ไม่ปรารถนาจริงๆริงใช่ไหม ถามว่าพรนธิพาเนี่ยไม่มีเสนียดไม่พ้นจากอุปัตถวะและวพันิพานนั้นไม่มีภัยพรนธิพา น, านนั้นเป็นแดนกเกษมเป็นความสงบเป็นความสุขหน้ายินดีประณีสะอาดแล้วกเ็เป็นสถานที่เยือกเย็นก็คําว่าเยือกเย็นในที่นั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสังขารไม่เร่าร้อนแล้วปัจจุบันเรามาคิดดูที่ว่าราคะเกิดบ่อยไหมโทรศาเกิดบ่อยไห ม, โ, ไหมโมหะเห็นมานะทิฏฐิวิจิตริชัยดิการนอตสาอุทะจัก ความฟุ้งซ่านความลำคาญใจความกำเริบเกิดอยู่ตลอดเวลาไหมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เย็นเนี่ยไม่สงบและเมื่อไปได้สังขารใหม่มันก็เป็นอย่างนี้ได้สังขารอะไรมันก็เป็นอย่างเนี้ยเขาบอกเป็นอย่างนี้แต่มันอาจจะทุกกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเมื่อครั้งที่แล้วจะมาใช้ว่าตายแลย้วจดตนกนรกถ้าตนากนรกในโอกาสเจอพระเจ้าองค์ต่อไปเนะี่ยจบจบไม่จบเหมือนเรามีญาติเถ้าตายพบตนกนรก จบแล้วเขาจะไม่มีโอกาสเจอพระองค์ต่อไปอีกหนึ่งอันตระกับนอกนั้นไปก็ไม่เจอพระเจ้าอยู่แล้วเป็นศูนย์ยับเป็นกับที่มีพระเจ้าเลยอ้าว เ, เ, าเราเห็นภัยที่จะมาข้างหน้านี้เราเคยคิดข้อนี้ไหมว่ามันมันเป็นภัยใหญ่เย้าสมานคิดไหมเย้สาสุานในหงคิดไหมอ้าวถ้าเราตายครบเนี่ยถ้าเรายุ่งเราเรามัวเราไม่ได้เจริญกุศลให้เต็มที่แล้วตกนรกตูโอกาสเจอพระเจ้ามันยาวเนี่ยเนี่ยสะดือไรฉานยาวเนี่ยเปรตก็ยาวเนี่ยแล้วมันจะออกจะอัตภาพของอวัยสัตว์ไม่ได้จริงไหมเย้าสมา้น ออกไม่ได้มหะว็ไมแล้วไม่ห่วงตัวเองหรือถามอีกที่นั่งๆกันอยู่ในรางตัวเองระห ว, ว่างแนวทางวางเป้าหมายวางแผนชีวิตในการที่จะเดินในวันตากันเนี่เคยไปขีดตารางไหมไปเตรียมตัวกันยังไงเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยวางแผนชีวิตในการเดินไหมทำไมเราอยู่ในภพนี้เรายังวางแผนยันไม่รู้อายุเท่านั้นตอนนั้นทำไมวางแผนกันได้ถ้าทําไมไม่วางแผนในการที่จะบริทิ่ผ่านกันบ้างเอ้ทำไมไม่วางแผนเข้าใจว่าถ้าไม่วางแผนเนี่ยยุ่งนะไม่เจะช่วยได้เลยเนี่ยที่นั่งๆนี้ไม่ใช่สาระนะ ไม่มีใครเป็นสรารนายใครได้นอกจาก พ, กพธธาระพุทธเจ้าก็ทํำไปเอาสิไม่ใช่ที่พึ่งไม่ใช่เครื่องกําจัดภัยไม่ใช่ที่เล่นไม่ใช่ที่หลบพระนิพพานเนี่ยเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกําจัดภัยเป็นที่เล่นเป็นที่หลบภัย ไ, ได้อย่างถาวรถ้าเราไม่ปริญนิพพานนะเราหลบภัยเหล่านี้ไม่ได้เราพวน้นจากภัยเหล่านี้ไม่ได้ถามจริงๆในวันวันหนึ่งนั่งสบายใจกันจริงรึเปลเนี่ยเคยไปคิดมมนี้กันมั้งว่าเคยคิดไม่วันเนะ่ หรือปล่อยมันผ่านไปวันวันวางแผนนะอาจารย์นี่อะไรนึกอย่างนี้นะเราวางแผนที่จะไปนิพพานคอี้อย่างงี้นะเรามีเวลาวางแผนไม่กี่วันแล้วไม่กี่วันโอ้ชาแต่เราบังนี้กลัวชาเลยเกินใช่ไห้ยน่าคิดมาก น้าเข้าเนี่ยเข้ามันจะตามองไม่เห็นแผ่นที่เดียวนเนี่ยก็จริงๆเนี่ยเนี่ยมาพยายามกระตุ้นเนี่ยนะกระตุ้นให้คิดเนี่ยพอกลับมาเบสเ็กก็มาทำท่าไปๆๆจะลงกันอีกแล้วดึงขึ้นแต่ละทีก็ไปๆๆลงอีกแล้วโอตรไม่ไหวแค่แจนะตอนนี้ ไฟกระทําอะไรจำได้ถึงแพทย์การุณีกระตุ้นอาการย์กระตุ้นบ่อย แ, แต่ว่าสะดุดทุกทีเหมือนกันนะใช่สะดุดนะแต่ใจเนี่ยมันมันเหมือนมีอะไรประดับอยู่เลยอ่ะเพราะว่านึกพอาจะทาอะไรที่มันไม่ถูกต้องอย่างันไมไ่ถึงาพายกันุีตรงนี้เนี่ยนะพญามริริเ อ, อพะพระหน้ากเกษรก็บอกว่าบุรุษคนหนึ่งนะกำลังจะถูกไฟก<ม>ําลังนะกำลังจะถูกไฟที่ลุกติด ก, กองไม้แห้งหลายกองเนี่ยน ะ, <ม>ะเผาเออกเผาออกแล้ ก็ใช้ความเพียรพยายามในการจะหนีไปกอง น, นั้นแหละเข้าไปอยู่ในโอกาสที่ปราศจากไฟแล้วก็จะรับความสุขอย่างยิ่งอยู่นาที่นั้นฉันใดท mm hmm. ่านบอกว่าขอถวายพระพรบุคคลใดเป็นผู้ปฏิบัติชอบบุคคลนั้นก็ย่อมใช้โยนิโสมนัสิการเมื่อฟังธรรมเกิดโยนิโสมนสิการโยนิโสมนัสิกา ร, ก, ารก็เป็นปัจัยเกิดสุดจริตสาสุจริตสาเป็นปัจัยแก่การเจริญสติปัฏฐานสมบัตฐานอิทธิบาทอินท ร, ร์ศีละโพชฌงละยีมากเป็นต้นใช่ไหม นั้นเขาก็เพียรพยายามในการศึกษาสติปัฏฐานว่าศึกษาเบ็ดเสร็ก็ เ, เพียรพยายามในการที่จะเอามาไขคุยนพิจารณาให้เหมาะสมกับอัตยาสัยตนเองที่กระทามาเอาเขาเพียรพยายามอยู่อย่างเนี้ยแต่ว่าบุรุษคนนั้นน่ะเข้ามาไงถ้าเรารู้ใช่ไหมไฟมันติดไม้แห้งหลายกองล้อมเราอยู่แล้วเราก็มานั่งไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยถามบุรุษคนนี้ฉลาดไหมถ้าคิดเนี้ยเดี๋ยวก็ถูกไฟเผาตายใช่ไหมทีนี้ ถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยถามว่าเรารู้ไหมว่าไฟราคะเป็นไฟไหมโทสะเป็นไฟไหมโมหะเป็นไฟไหมความเกิดเป็นไฟไหมไฟไหมความแก่เป็นไฟไหมความเจ็บไข้เป็นไฟความตายเป็นไฟเป็นต้นถ้าเรารู้ไฟเหล่านี้มันเผาเราอยู่ทุกจุด ท, ทุกอณูอย่างเงี้ยแล้วทําไมไม่เพียรพยายามใช่ไหมบัณฑิตทั้งหลายถ้ า, าก็รู้ว่าไฟไห ม, <S <S ไมเขาอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เขาเพียรพยายามแล้วที่จะออกจากกองไฟเนี้ ก็เหมือนกับไฟที่ท่านอุปมาเนี่ยมันล้อมอยู่มันจะไหม้ตัวเองอยู่มันกำลังไหม้ด้วยไม่วิ่งเนี่ยทาอะไรกันอยู่นี้ก็เหมือนการท่านฤาษีอุปมาในลักษณะอย่างเนี้ยฉะนั้นพระนิพพานนั้นเหมือนกับการวิ่งออกจากกองไฟแล้วไปได้อยู่ในสถานที่สงบและหมดไฟไม่ตามมาไหม้แล้วนั่นคือพระนิพพานแต่ถ้ายังถูกเผาอยู่สรุปแล้วก็คือตาถูกเผาหูจมูกร่้นกายใจถูกเผาอยู่ ฉั้นแต่เราอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะถูกไฟสิบอ็ดกองเผาท่านก็เลยบอกว่าเนี่ยต้องวิ่งหนีออกไปให้ได้โอกาสในความปลอดภัยนนสภาวะของพระนิพพานก็คือที่ท่านก็เลยอมาต่อไปบอกว่าไฟสามกองเนะีก็คือราคะโทสะโมหะเป็นต้นดังที่ได้กล่าวต้องเห็นบอกว่าบุคคลเห็นไฟสามกองเป็นต้นเหล่าเนี้ยนะเห็นกิเลสคือราคะโทสะโมหะเป็นต้นนั้นเป็นไฟ เป็นการจกดไฟบุคคลผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลายเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นว่าเป็นเหมือนบุรุษผู้ตกอยู่ในกองไฟการเห็นนิพพานนั้นเป็นเสมือนกับโอกาสที่พ้นจากกองไฟนะมองเห็นใช่ไหมก้อนี้นะอีกอย่างหนึง่งท่านโกมาบอกว่าบุรุษเนี่ยคนหนึ่งตกไปในซากงูในหลุมนะั้นในั้นมีซากงูซากไก่ซากมนุษย์แล้วก็กองโกฏาศักด์เต็มไปหมดเป็นของหน้าหน้าเป็นของเสียจากร่างกายเข้าไปในว่างสถานที่นี่ย ก็เป็นหลุมซากศพเต็มไปหมดเนี่ยถามว่าถ้าเราตกไปในสถานที่เหล่านั้นเนี่ยเขาจะเพียรพยายามกระเสือกกระสนออกจากหลุมนั้นไหมถามว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกมา้ามวิจัยไตตับเป็นตัวอะไรเนี้ยอันนี้ใช่หลุมของซากสัตว์ไหมเนี่ยตอนนี้เราตกลงไปในหลุมนี้แล้วทําไมไม่ขวนขวายอยากจะออกจากหลุมนี้สักทีแล้ว okay. ก็ใช่ไงทําไมไม่อยากไม่วิ่งขวนขวาออกคนที่เขานิพานเนี่ยเขาไม่ตกในหลุมเหล่านี้แล้วฉะนั้นการตกอยู่ในหลุมของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกของตาองอหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะดีเสลต์หนองเลือดเนื้อที่มันต้องมาเกี่ยวข้องตรงเนี้ยพบหรือเปล่าแล้วเคยคิดว่ามันเป็นหลุมตรงนั้นจริงๆเนี่ยแล้วตกเข้าไปในหลุมซากงูซากสากัตว์ซากมนุษย์แล้วก็ในหลุมโศกอะไรเต็ไมไปหมดเนี่ยนะเอี่นอนแช่สบายอยู่กน อ, อยู่เนี้ย่ย ถ้าไม่คิดเป็นอิสระหาแสวงหาปณิพานกันบ้างเลยโอ้ลำบากกันนะเนี่นี่ถือว่าท่านอุปมารแรงเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าอุปมาอย่างนี้คนก็ฟังเฉยๆ เ, เอาเฉยๆไหมฟังนี่เห็นไหมจริงๆเป็นอย่างนั้นไหมผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดทั้งคื่นไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วออกจากมันได้ไหมเนี่ยดีเสเลตนองเลือดเหนือมันค้นออกจากมันได้ไหมออกไม่ได้ แล้วก็ไปโดดเข้าอีกหลุมนึงเพราหลุมนี้พังก็ไปโดดเข้าอีกลหลุมหนึ่งหลุมนี้พังก็โดดเข้าอีกหลุมไม่เบื่อบ้างเลยก็มันให้โทษขนาดเนี้แล้วยังไปประคอกประหงหยกกันอยู่นี่แหละถ้าหนองกันเหลือกเกินใครว่าก็ไม่ได้หลุมเนี้ยถ้าใครมาตําหนิหลุมตรงนี้เราโหยโกรธเลยใช่ไหมอ้าวทาไมทําไมไม่แสแวงหาพระนิพพานนะคนมีปัญญาเขาแสแวงม อ, องเขาเขาไม่อยู่หรอกเขารู้ว่ามันไม่น่าอยู่ไม่น่าอยู่หรอก ฉะนั้นภาษารีบุตรมีความรู้สึกว่าเหมือนเอาซาบสุนักเน่าผูกคอท่านตลอดแล้ว อ, ออกไม่ได้ท่านอิดหนานละอาใจก็ไอซ า, าบสุนัขเน่าที่ผูกคอท่านนั้นท่านอยากจะไปะนี้ผ่านนี้แต่ท่านก็ยังต้องทํากิจในการสอนใช่ไหมพระเจ้าก็เห็นอย่างเนี้เพื่อทำงไงทีนี้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งเปรียบเสมือนบุตรคนหนึ่งกลัวภัยเนาะกลัวภัยสะดุ้งว่าเสียวมีจิตวิปริตวุ่นวายก็ใช้ความเพียรพยายามในการจะหนีออกจากถานที่ตรงนั้น สถานที่ที่ไม่มีภัยทั้งหลายเนยนะก็พยายามฉันใดออก็ว่าบุคคลใดผู้ปฏิบัติชอบเจริญสติปัฏฐานเบตเตอร์เหล่านี้นนก็ทําปฏิป า, านีาานาาน้แจ้งก็ปราศจากภัยปราศจากความดุนรุ่นถามว่าให้เห็นว่าภัยคืออะไรชาติความเกิดเป็นภัยชราคือความแก่เนะี่ยเป็นภัยพยาธิคือความป่วยไข้เป็นภัยความตายเป็นภัยความโศกความล่ําไรละมันเป็นภัยนีการมีอยู่ในการขันที่สืบต่อกันไปก็จัดว่าเป็นภัย เพเห็นบุคคลที่ ป, ปฏิบัติชอบเนี่ยว่าเป็นผู้ที่กลัวภัยนั้นใครก็ได้แต่ที่จเจริญสติปัฏฐานสมรปรปัฏฐานเป็นต้นเนเขากลัวภัยเหล่านี้ที่เขาเพียรในการที่จะต้องทนทรมานในการยืนเดินนั่งนอนเป็นต้นนี้เขากลัวภัยจรงไหมโยมสมายเขากลัวการเกิดเขากลัวความแก่เขากลัวความเจ็บป่วยเขากลัวความตายที่ก็จะต้องประสบแล้วแล้วเล่าอีกอย่างหนึ่งนะก็คือบอกว่าเหมือนก้อนเหล็กถูกไฟเผาตลอดวันร้อนจากลุกพงเขาบอกว่ามีก้อนเหล็ก แท่งเหล็กยาวๆนี่นะโดนเผาตลอดวันร้อนมากทีนี้บุคคลเมื่อพิจารณาเห็นสังขารเนี่ย น, นะก็เห็นชาติชราพยาธิเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศก ค, ความร่ําไรลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจของสังขารเหล่านั้นนะ่ะไม่ว่าเบื้องต้นไม่ว่าท่ามกลางไม่ว่าที่สุดเข้าใจใช่ไหมไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตไม่ว่าภายในหรือภายนอกเห็นเป็นความร้อนมาก เป็นความร้อนแต่ถามบอกว่าเหล็กเนี่ยถ้าถูกเผาไฟตลอดทั้งวันเนี่ยตอนต้นตอนตั้งโคนมันเนี่ยร้อนไหมอยากจับไหมถ้าเผาแดงเนี่ยตรงกลางอ่ะอยากจับไหมปลายก็ไม่อยากจับฉะนั้นขันทุกขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปฐมเมื่อวัยก็ร้อนมาฉิมเมื่อวัยก็ร้อนปัจฉิมมื่วัยก็ร้อนขันในอดีตก็ร้อนขันในปัจจุบันก็ร้อนขันในอนาคตก็ร้อนขันภายในก็ร้อนขันภายนอกก็ร้อน ขันยาวขันละเอียดเร็วประนีไใกล้ขันเหล่านั้นมันร้อนเพราะมันถูกมันก็คือแท่งเหล็กถูกเผาไว้มันถูกราคาเผาโทสะเผาโมหาเผาถูกไฟคือชาติชราปญาทีเป็นต้นเผาก็มันถูกไฟเผาอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยมันร้อนขนาดนี้ทำไมไม่เอึมละอากับความร้อนบ้างแต่สภาวะของพระนิพานไม่ร้อนมันเย็นเพราะไม่ใช่สังขารเพราะสภาพของพระนิพานนั้นเขาสลับอะไร เขาสลัดอุปธิทั้งปวงสลัดสังขารทั้งปวงเป็นที่สิ้นตันหาสำรอกตันหาอุปธิก็คือขันเนี่ยรูปเบญนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นขันเป็นอุปธิใช่ไหมเจตนากรรมทั้งหลายเป็นอุปธิกิเลสทั้งหลายราคะโทสะโมหะเป็นอุปธิใช่ไหมใช่ฉะนั้นอุปธิคือขันอุปธิคือกิเลสอุปธิคือกรรมอุปธิคือกรรมมุรทั้งหลายเนี่ยอุปธิคือกพวกกรรมทั้งหลายเนี่ย การอุปธิทั้งหลายอุปธิต่างๆเหล่านี้มันร้อนมันทําให้สัตว์นั้นเล่าร้อนแต่สภาวะของพระนิพพานเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเรามองในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นเห็นคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเราจะเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นต้นอนี้เพื่ออะไรเอาเพื่ออะไรเพื่อในการที่จะดับใช่ไหมดับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้น เ, เดี๋ยวต่อไปทีนี้ครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของเวทนา ไปถึงหน้าที่เท่าไรแล้วตะกินหน้ากาเวทนาแปดอย่างนี้พูดได้ยังแในหน้าที่สิบสามพูดได้ยังพูดได้ยังพูดแล้วนะหน้าสิบสี่พูดได้ยังสิบห้าพูดได้ยังโอ้โหงั้นขึ้นที่สิบสิบเจ็ดพูดได้ยังสิบสิบหอ่ะโอ้โ้ไหวจังนะเอาขึ้นสิบเจ็ดเลยตอนนี้ดูในส ก, กัดปัญหาสูตรในที่เนี้ยนะท่าน เ, าเล่าเกี่ยวเรื่องของเท้าสกะ ถ้าใครต้องการอยากจะดูรายละเอียดก็ไปดูเล่มที่14บสี่ในพระไตรปิดกฉบับ91เดเล่มก็จะมีทั้งอัตถกถาและดีกาขยายเขา้าทีนี้ตรงนี้ก็ดูเท้าส ก, กัดจอมเทพเนี่ยนะในส ก, กัดปัญหาสูตรเนี่ยนะทีคัณฑกายมหาวัฒนท่านก็แสดงเข้าไว้แล้วก็จากสุมังค่าละเวลาศรีอัตถกาถาท่านอธิบายปัญหา14ข้อของเท้าส ก, กัดเข้าไว้ที่จริงตรงนี้ก็ย่อๆก็ได้นะแต่ว่าจะขยายความไม่ฟัง ที่ต้องการขยายให้ฟังก็คือว่าต้องการให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้ได้เข้าใจจะได้มาพิจารณาเกี่ยวในเรื่องของปัญหาที่ท้าวสก่าท่านถามแล้วก็พระบรมศาสดาตรัสตอบเนาะตรงเนี้ยท้าวสก่าจอมเทพเนี่ยอันก็พเพื่เจ้าให้โอกาสแล้วก็ทูลถามปัญหาข้อแรกกับพระบรมศาสดาจริงๆก่อนที่ว่าท่านจะถามปัญหานั้นมันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นในเรื่องราวการเกิดขึ้นเนี่ยนะก็แหมเรื่องยาวมาก ก็จะพยายามจะไม่ให้ยาวเท่าไหร่โดยการจะสรุปสรุปสรุปมาเนี่ยนะคือในพระสูตรเนี่ยตอนนั้นพระบรมศาสดานี่ปัดถามว่าในพระสูตรในสก a b ปัญหาสูตรนี้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผูู้พุทธเจ้าประทับอยู่ที่ถ้าอินทสารณภูเขาเวทีกะด้านเหนือแห่งบ้านพรามชื่อว่าอัมพ์อัมพศนข้างทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคืนในแฟานมคธถ้ำนี้อยู่ฟานมคธ กรุงราชคลีเนี่ยเขาเรียกว่าปัญจคิครีนครเป็นนครที่มีอะไรล้อมรอบมีภูเขาห้าลูกล้อมรอบมีอะไรบ้างอะมีเวพาละเวปุลละอิสิกิรีคิชกูดแล้วก็อะไรอีกลูปหนึ่งไลทิไ ล, ไลไลมีถูกทุกทีเลยนี่นะภูเขาห้าลูกล้อมรอบบางแห่งถ้าเรียกว่าคิรีทชะก็คือมีคอกเมือง ประเทศที่มีข้อคือภูเขาล้อมรอบล้อ ม, อมก็ดูดีเหมือนกันนะถ้าเราไปดูเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบได้เนยนะบางแห่งมันจะดูงดีนะถ้าสมัยก่อนก็คือป้องกันค่าเสถียรงานถ้าปัจจุบันก็่ค่ดีเดี๋ยวก็ระเบิดมาค้างอากาศก็กย่อนลงนี่ลำบากอย่างนี้วะแต่ถ้าในสมัยก่อนแม้เป็นป้อมอย่างดีก็แล้วแต่ใช่ไหมแล้วแต่ยุคแล้วแต่สมัยถ้ายุคก่อนไม่มีนี่ที่ตรงนี้นี่แหละพระบรมศาสดา ก, ก็ประทับอยู่ที่เขาเวทิยากะด้านเหนือ สมัยนั้นทา้าวสกะจอมเทพมีพระประสงค์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทา้าวสกะจอมเทพลําบึงว่าบัดนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระสมมารจะสำมาตุมริจาร์ประทับอยู่นี้ไหนหนอแหล่ท้าวสกาจอมเทพทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าซึ่งประทับอยู่ที่อินทสาราณพวกเขาวเวทยกะด้านทิศเหนือบา้านพรามชื่อว่าอัมพ์สนทางทิศ ต, ตะวันออกแห่งกรุงราชคืนในแคว้นมกข์ฉันหนึ่งเห็นแล้วก็รตรัสเรียกมู่เทพชั้นดาวดึงมาก็ตรัสเรื่องกับท่านวุ่นนิราทกทั้งหลายนิราทกทั้งหลาย แปลพูดไม่มีทุกข์เทวดาเนี่ยก็แปลไม่มีทุกข์แต่จริงๆตอนเนี้เท้าสกา่ามีทุกข์อะไรอ่ะอะไรความทุกข์ของมรรคเท้าสกา่คือเรื่องอะไรอ่ะอะไรทไมเท้าสกา่าจึงทุกข์รู้ไหมถ้าคนเรารู้ว่าตนเองจะตายมยีทุกข์ไหมทุกข์มากไหมมากท้าสกา่ารู้ว่าตนเองจะตายนะ ว, วีเพียรพยายามหลายครั้งจะไปเฝ้าพระเจ้าอ่ะตอนนั้นที่สุพรมเทพบุตรเนี่ยที่เราไปพร้อมในบริวารหน 1, ึ่งพันจำได้ไหม ในทกขาโทมานาซานังอัททั้งขมายฯาเป็นต้นเนี่ยตอนนั้นที่ พ, พระพุทธรานีสงสติปัฏฐานลืมกันแล้วในพวกเราเนี่ยเดี๋ยวกองบนเทพหน่อยเป็นอย่างเงี้ยเลยลืมกันเรื่อยเลยใช่ไหมเพอพูดเงี้ยนึกไม่ออกแล้วตอนนั้นสุพรหมเทพบุตรมีบริวารหนึ่งพันไปในสวนใช่ไหมแล้วห้าร้อยก็ไปอยู่บนต้นไม้อีกห้าร้อยพร้อมด้วยสุพรหมเทพบุตรอยู่ข้างล่างแล้วก็คอยเก็บดอกไม้ที่ร่วงจากคนข้างบนเน่ยเก็บแล้วก็ย้อนลงมา แล้วไปไปมามาเอ๊ะไม่เห็นโยนลงมาหายหมดเลยเนี่ยพ้องงนขึ้นไปเอ้าเทวดาหายไปหมดแล้วห้าร้อยทางเทพยดาหายแล้วซซพรอมก็กำหนดดูเอ้าตายหมดแล้วไปอยู่ในเอเวจีหมดเลยห้าร้อยน่ากลัวไหมเนี่ยเทวดาตายตกเอเวจียอมสมานแล้วเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยรอดไหมเนี่ยถ้าไม่ระมัดระวังเนี่ยเทวดาห้าร้อยท่านไปทำอนันตรียกรรมที่ไหนรู้ทำไมท่านลงเอเวจี แล้วทุกวันเนี่ยยังตอกอเวจียังขึ้นไม่ได้เนี่ยเอางี้ความทุกข์ในอเวจีสามชั่วโมงมากกว่าความทุกข์ในมนุษย60์60สิปีเราจะยอมทุกข์อีกสัก2ี่ปีที่อายุที่เหลือถ้าใครจะเหลือถึง2ี่สิปีหรือสิปีที่เหลือทุกจริงๆในการจะเพียรพยายามเร่งรีบในการฟังว่าทำให้เข้าใจแล้วก็พฤชปฏิบัติเพื่อจะให้พ้นจากชาติทุกข์ได้หรือยังถ้ายังท่านประมาทมาก ถ้ายัางไม่คิดนะมันต้องแลกแล้วเพราะไฟมันเผาใช่ไหมก็ลูกน้องเนี่ยของสุพรหมเทพบุตร500เนี่ยที่เป็นเทพยดาไปทําอนันตเดชกรรมไปที่ไหนในปัจจุบันนะพบจริงไหมท่านไปลงอภัยภูมิหมดแล้วเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์อภัยหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็กําลังทร ม, มานร้องกันในวีดบิวอยู่เนี่ยแลกไหมตอนนี้จะเจริญสติปัฏฐานแลกไหมอายุที่เหลือเนี่ยถ้าไม่แลกเนี่ยโอกาส แล้วก็จะไปอยู่อย่างงั้นไปกองกันอยู่งั้นนี่ยอันนี้ไม่ใช่ขูนะจริงไม่ยอมสมมานว่าวอาจารย์ขูเปล่าไม่ขูอันนี้เรื่องจริงเป็นอย่างงั้นเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้พอท่านพิจารณาเอาอีกเจ็ดวันเนี่ยท่านก็จะต้องไปลงในรกพร้อมในบริวารอีกห้าร้อยท่านก็เลยอุทานออกมาบอกจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดจิตนี้ทสะดุ้งกลัวอยู่เป็นนิดหวาดกลัวอยู่เป็นนิดหวาดวันอยู่เป็นนิดทั้งจิตที่เกิดแล้วและจิตที่ยังไม่เกิดจิตที่เกิดแล้วแปลว่า ห้าร้อยลงไปตัวใบพุมแล้วและอีกห้าร้อยที่จะเกิดในอนาคตใครน้อยจะดับไฟในใจที่เร่าร้อนสมอกข้าพุทธเจ้าได้ก็เห็นแต่พระบรมศาสตร์สดาเท่านั้นจะเป็นสารณาเป็นที่พึ่งก็พร้อมด้วยนางเทพยิญาห้าร้อยตอนเองก็รีบอันตรธานเพื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้ารอจังหวะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็อุทานบอกว่าจิตนี้จะดุ้งอยู่เป็นนิด ทั้งกิจที่เกิดแล้วคือว่าหนะ้าร้อยเรียบร้อยแล้วและอีกห้าร้อยที่จะเกิดขึ้นขอพระองค์จงเป็นสารณะขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งขอพระองค์เป็นเครื่องรับจัดภัยให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะเนี่ยนะพระรามาสสสดาบอกดูก่อนสุพรมเทพประบุตรตถาคตบำเพ็ญบา ร, รมีสาสิบทัศนมายี่สิบประสงค์ายิ่งด้วยแสนมหากับก็เพื่อจะดับทุกทมนัสของเธอนี่แหละ คนเช่นเธอเนี่ยเธอมาถูกที่แล้วแล้วพระพุทธเจ้าก็บ่ ม, มเพราะอินทรีย์เบ็สเ็จพระองค์ก็แสดงธรรมานานยัตตราโภชาตประสานานยัตตราอินเรียสังวร า, น, านยัตตราสัพนิสขาโสถิงประสานีปานินันติวัดโภชฌงองค์แห่งการตัสรู้ตประสาคือความเพียรอินเดียสังวราการสำรวมวินซีนะสัพนิสขาคือการสลาราคาทูศักโมหะให้ออกจากกระแสขันเมื่อสัตว์ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนเหล่านี้แล้วจะปรินิพานและพ้นจากวัฏทุกได้ สุพร้มเทพบุตรและบริวารปางแค่นี้เลยบรรลุเป็นพระโสดาบันกราบทูลพระเจ้าทำประทักษิณแล้วก็แว บ, บกลับไปเดี่องนี้ท่านสบายแล้วท่านเป็นพระโสดาบันท่านเป็นอบับยภูมิแล้วนี่จบกิจของท่านไปแล้วระดับเบื้องต้นแต่เราล่ะทำมรคอะไรได้บ้างในในกระแสขันเนี่ยมีสมรคไหมมีโสาดาบันิมากเกิดไหมเนี่ยสกาากาบิมักไม่ต้องพูดถึงดัง น, นั้นน่ะแล้วยังไม่ไม่สะดุ้งเหมือนท่านเลยของเราเนี่ย กิจที่เกิดแล้วแปลว่าญาติญาติของเราลงอใบพภูมิกันมาเยอะไหมเยอะไหมเยอะไหมเยอะเอาเอาญาติในภพนี้ยที่ลงใบพุ่มเยอะมไหมเยอะแต่เราไม่รู้เองญาติในีดีเยอะไหมใและกิจที่จะเกิดขึ้นแล้วพวกเราเคยลงใบพุ่มมาไหมกิจที่เคยเกิดแล้วเราเคยลงไปเจ็บปวดมาแล้วและกําลังจะเกิดครั้งหน้าแล้วทําไมไม่สะดุง้งเอายอมนอกทําไมไม่สะดุง้งเอามันจะเกิดจริงๆนะ ในอนาคตเนี่ยเกิดแน่นอนถ้าเกิดสรพันเตี้ยลงแบบนี้จะมาถ้าการประพฤติปฏิบัติที่เป็นแบบเนี้เกิดแน่นอนโอ้มืออ่อนเลยประการหลุดมือเลยเอาเกิดไหมมีโอกาสให้ามาถามตรงว่ามั่นใจไหมท่ทานศีลภาวนาที่ทำ ม, มั่นใจไหย ม, มั่นใจไหมว่าปิดอบายภูมิเพราะถ้าจะปิดในภพบพถัดไปได้นะต้องได้นามรูปปริเชทยานกัตจิยาปริไกรกริยาสัตตปรากฏชัดไหมถ้าชัด ถึงแม้เป็นโลกียะก็ปิดในภพถัดไปได้แล้วเกิดบ้างไหมฟังธรรมใจไม่เคยเศร้าหมองเลยน้อมถึงพระเจ้าชัดรุนแรงแข็งแรงจิตไม่เคยห่างจากพระธรรมของพระริเจ้าหรือเป็นงั้นจริงว่าชีวิตจริงอ่ะเป็นงั้นไหมถ้าไม่เป็นนะเสี่ยงมากเสี่ยงมากๆๆๆมาาโกงจริงถ้าเป็นอารมามานอนไม่หลับหรอกนอนตรงสะดุ้งแน่นอนใช่ไหมกิตมันจะเกิดทั้งในอนาคตใช่ไหมแล้วเราไปเดือดร้อนคนเดียวเนี่ย ญาติเมื่ที่เราเคยช่วยเหลืทั้งหลายเนี่ยก็ไปทุกข์กับเราเไปแล้วเขาไปเขาไปเจ็บปวดกับเราไม่ยอมมานูเขาไม่ไปหรอกแต่เขาไม่รู้ด้วยก็เหมือนเราเนี่ยญาติทั้งหลายพาการไปปอมกปลมอยู่ในนรกเราไม่รู้ที่ไหนแล้วเราก็ยังมาเถื่อนอยู่เนี่ยยังไม่ยอมไหวยังทากับข้าวเฉยอยู่เลยใช่ไห ม, ไหมยังเพิดเพลินอยู่การทําตรงนี้เลยใช่ไหมยะกิจที่เคยเกิดมาแล้วเขาก็สะดุ้งแล้วเนี่ยแล้วกิจที่เขาจะเกิดขึ้นในอนาคตเขาก็ยังสะดุ้งแนะ ไอ้ตรงนี้นะเวลาศึกษาคําสอนถ้าอ่านอัธยาศไม่ได้อยากเข้าใจใช่ไหมทุกวันนี้นะอาตมาเองหลับไม่สนิทไม่สนิทตัวเองเนี่ยต้องรีบเร่งเลยไม่ใช่ว่ามาบุกคนอื่นบบูมบูมีืตัวเองนอนสบายนะไม่ได้คือถ้าทําถึงที่สุดแล้วความเพียรมีเท่าไหน่ระดมเต็มที่แล้วเนี่ยอาตมาภูมิใจนะถึงไม่พ้นทุกข์ก็ไม่เป็นถือว่าเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยเราใช้เรี่ยวแรงของมนุษย์ ที่ยังมีอยู่จริงไหมยอมสมายแล้วระดมเต็มที่ถึงไม่พ้นทุกในชาตินี้ชาติหน้ามาจะเป็นระดมต่อแล้วชาติต่อไปจะเป็นระดมต่อแล้วสักวันหนึ่งจะพ้นทุกอย่างนีามาตั้งไว้ใช่ไหมยะไอ้กูเราเราต้องตั้งอย่างนี้จรถ้าไม่ตั้งอย่างนี้อย่าหวังเลยอย่าหวังเข้าใจใช่ไหมมันต้องตั้งอย่างนี้ก็เราเพียรวัตถุ ก, กรรมะอะไรยังเต็มที่เลยใช่ไหมแล้วทําไมเราจะเพียรแสวงหาพระิพพานทำไมไม่เต็มที่บางคนนี่โอ้โหแก่ตาม เราใช้ร่างกายจนแก่เท่างอมเลยนะเพียนกับเรื่องลูกเรื่องทรัพย์เนี่ยแล้วทํำไมเต็มที่กับเขาได้พอมาเพียร น, นี้เต็มที่แตตั้งหนามาเรียบคอร้องกันมาไม่ไ ม, ไม่ไม่น้อไมไม่น้อมอะไรเป็นยางานจริงไม่ใช่คููเพราะสรุป ค, คําสอนเราเป็นยังไงก็พูดตามคําสอนทีนี้ถ้าเราไม่ไม่บอกจริงๆมันก็มันน่าเอาใจวันวันวันวันไม่ฉาไม่ใช่แต่มาหรอกใช่ไหมอะไรจริงๆแล้วก็มาบอกบอกบอ ก, บอกเพ็นอย่างนี้จริงพุ่ยจ้าบอกนี้ยอมรอบ คือบอกบอกเป็นอย่างนี้เลยอ่ะแล้วถ้าไม่นั่นก็ไปเปิดดูเป็นงั้นจริงด้เปิดดูสะดวกกว่ากว่าที่อัยยานพูดดีทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยตรงภูเขาวเวทียากาศเนี่ยนะนะก็มีป่าสีเขียวเหมือนแก้วมันีถ้าอินท่าสาระเนี่ยอินทส า, าระคูหาหยางเนี่ยนะก็คือถ้านี่นแหละถ้าอยู่ในระหว่างภูเขาสองลูกและที่ประตูถ้านั้นก็มีต้นเขาเรียกต้นช้างน้าวอ่านมาไม่เคยรู้จกักใครรู้จักต้นช้างน้าวไหมเป็นไงเอา ใครที่อายุเกินเจสิบไปแล้วเนี่ยรู้จักไหมต้นช้างนาวบินไงเขาจึงเรียกว่าและถ้ำนั้นน่ะอยู่ติดกับประตูต่างที่เร้นวิจิตบุกปนขาวจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถวายแด่พระเจ้าคือเขาทําทําถวายพระเจ้าแต่คนนั่งหลายรู้จักถ้ำนี้ว่าถ้ำช้างนาวตามชื่อเดิมแต่ในบาลีเรียกว่าถ้ำอินทสาระท่านพระนนท์นหมายเอาถ้ำอันนี้จึงเรียกว่าที่ถ้ำอินทสาระ หรือทำอินทรสารข้อที่บอกมีพระประสงค์น่ะสุกสุกกลางอุอุททปาทิเนี่ยก็แปลว่าเกิดอุตสาหะที่จะประกอบธรรมะขึ้นถามบอกว่าเท้าสก่านั้นทรงไปเฝ้าพุทธเจ้าบ่อยครั้งไม่ใช่หรือก็ย้อนถามก็ต้องบอกว่าใช่มีประชุมเทวดาที่ไหนไม่ใช่ว่าเท้าสก่าจะไม่เคยเสด็จขึ้นชื่อว่าเทาวบุตรทั้งหลายเช่นเท้าสก่าอยู่อย่างประมาทนั้นไม่มีคือเท้าสก่าเนี่ยถ้าหากมีเทวดามาเพือบังทำดีอะไรเนี่ย ท้าวสกก็ต้องไปเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมท้าวสกาจึงทรงเกิดความอุตสาหะเหมือนผู้ไม่เคยไปเฝ้าพระพุทธมีพระยากบกครั้งนี้ทําไมเพียนมากเพียนพยายามตอบว่าเพราะถูกความกลัวตายในยคุกคางสรุปแล้วก็คือว่าในสมัยนั้นน่ะถ้าชนมายุของเท้าเธอเนี่ยหมดแล้วตอนนี้นะอายุของเท้าศิษย์สกี่ไปว่าหมดจบแล้วเท้าเธอทรงเหน็นปุบภณิมิตห้าประการมีเหงื่อออกลักและ ติดต้นแล้วก็มีความเศร้าหมองแห่งซาลีละนะแล้วก็อาพรทั้งหลายเครื่องประดับทั้งหลายปันทุกกรรมพลซีละอาจเศร้าหมองหมดเลยอันนี้บองบอกว่าเศร้าหมองให้กลับไปไปตรวจ ด, ดูบ้านเมาบ้างไดูกระจกบางยา น, น้าเรามองหมองมัหมใช่ไหมโดยใจมันก็มองหมองไหมผ้าก็เศร้าหมองไหมในบ้านมันก็ดูมองหมองวงเวงวงเวงไหมเป็นงันไหมจะจิตติเหมือนก็เท้าสกายหรือเปล่าอย่า <c> ง <oughs> นี้นะใช่ไหมไม่ติคิด ทจริงๆเนี่ยความตายมันเกิดได้ตลอดเวลาใช่ไหมอย่าไปประมาทลมหายใจเนี่ยมันจะขาดเวลาไหนก็ไม่รู้ก็อย่างที่บอกกันนอนไม่รู้ยังมีโอกาสตื่นหรือเปล่าแล้วเราทํากุศลได้แค่นี้ทำกุศลได้แค่นั้นท่องเพียรให้มากกว่านี้ตอนนี้คิดว่ามากแล้วเนี่ยเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนั่นแหละเพิ่มอีกเท่านึงเรื่องความเพียรในการเจริญกุศลไม่ต้องเสียเงินเสียทองนี่ยในต้องเข้าใจใช่ไหมเพียรในการฟังว่าทำเนี่ยเสียเงินไหมไม่ได้เสียเงินเลย เพียงในการที่จะฟังว่าธรรมเพียงในการที่จะศึกษาคําสอนไม่ได้เสียเงินเสียทองหรอกแต่ว่าถ้าจัดความเกลียดค้านเนี่ยก็คือมันเสียตัณหาเสียความเกียดค้านไปใช่ไหมมันเสียความหลงหลืมสติไปมันเสียความฟุ้งซ่านไปมันเสียความไม่รู้ไปเนี่ยเสียสิ่งเหล่านี้สเสียดายไหมล่ะเสียไหมเสียสิ่งเหล่านี้เสียดายไหมถ้าเราถ้าความไม่รู้มันจะลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆความรู้มันจะมากขึ้นมากขึ้นเสียดายไหม เสียดายความไม่รู้ที่มันปกคุมกระแสขันมาอย่างยาวนานนะเสียดายไหมเสียดายทำไมใช่ไหมความไม่รู้เสียดายไหมไม่เสียดายใช่ไหมสมัยนั้นนะนะพระชนมายุของเท้าเธอหมดแล้วเท้าเธอเห็นปุพานิมิธาประการบัดนี้เราหมดอายุแล้วเห็นนิมิตเห็นความตายปรากฏแก่เทพประบุในเทพปร บ, บุเหล่านั้นนะพวกไดเกิดในเทวโลกได้บุญกรรมเล็กน้อยนะพวกนั้นย่อมถึงความหวาดสะดุ้งกลัวเพราะความกลัวว่าคราวนี้เราจะเกิดณที่ไหนหนอแล พวกใดได้เตรียมการป้องกันการภัยที่น่าสะพินกลัวก็ทําบุญไว้มากเกิดแล้วเนี่ยพวกนั้นก็คิดว่าเราใส่ทานที่ตนได้ทําให้ศีลที่รักษาภาวนาที่ได้อบรมมาแล้วจากสวยสมบัติในเทวโลกชั้นสูงก็ไม่กลัวเห็นไหมมันจะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่กลัวกับกลุ่มที่ไม่กลัวสรุปแล้วก็ยังแสวงหาที่เกิดอยู่นี่แหละยังยินดีในการเกิดนี่แหละถามว่าคนที่ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลทำมาก ถ้าจะตายจากชั้นต่ําจะขึ้นชั้นสูงก็กลัวไหมแต่พวกที่ทําทานศีลภาวนามาน้อยตายแล้วจะลงอบไยภูมิกลัวมไหมเนี่ยเท้าสกัดอยู่ประเภทหลังเนี่ยบุญหมดแล้วจะตกอบไยภูมิแนักแกกลัวไหมมีมีอยู่เรื่องหนึ่งนะเท้าสกาัดที่บอกว่าที่ไปตัดสินคดีความที่ไปตัดสิน็ดีความเท้าสกาัดก็ที่มีชื่อนางอะไรนะโลหิไม่ไม่ใช่ชื่ออะไรนะีะ ที่เป็นญาติของพระพุทธเจ้าและเป็นพระโสดาบันแต่ก่อนมีแผลเต็มตัวต่อมาพุทธเจ้าก็แนะนําให้สร้างเสนาสนะเป็นโรงฉันถวายสงฆ์และให้ทําความสะอาดทุกวันนางก็ไปทำแล้วก็ถวายต่อมาผิวกายก็ผ่องและฝังทําได้บรรลุเป็นพระโสดาบต่อมานางก็ตายตายไปเกิดเป็นเทวดาในชั้นดาวดึงไปอยู่ในที่ของเทพวิบูตรทะเลาะ ก, กันเพราะความสวยของนางแย่งกันก็เลยไปฟ้องท้าวสก่าท้าวสก่า ก, ก็มาตัดบอกโอ้โหตนเองรักมาก รันางนี่ท้าวสกาก็ถามมันเป็นยังไงท้าบอกว่าคือพอข้าพระองค์เห็นหนางนี้แหละใจของข้าพระองค์ก็เหมือนกับคนเหมือนกับกองอะ่ะมันไม่หยุดเลยที่มันดังตุมตุ ม, ต, มตุมอยู่ข้างในจิตใจมันสะเทือนอยู่เงี้ยนะคือมันกระเครื่อมเลยวนะ่างั้นเถอะถ้าไม่ได้นางนีงน่โอ้โ ห, หยุ่งเลยหน้า อ, อกมันก็จะกระเพื่อมอยู่เงี้ยใจมันเต้นเต้แรงอย่างนั้นอนะ่ะคือความงามของนางนี่นเะทพบุตรอีกคนนึงก็บอกท้าวสกาก็ถามเอาละท่านนะโอ้โหเข้าไปเจ้าหนักกว่าเทพบุตรองค์นั้นอีก ตาเขเข้าไปเจ้าปกติเป็นอย่างเงี้ยบอกตาเขาเจ้าถลนออกมานอกเบ้าเลยเห <c oughs> มือนตาโป้คือปอกความงามของเทวดัาจะบอกว่ า, า, งงามมก็เพราะที่เกิดทัดก็โดยท้าสก่าจะตัดสินใจจะให้ใครใช่ไหมท้าวสก่า บ, บอาโอ้โหถ้างั้นท่านทั้งสองจงพักไว้ก่อนเถ <c oughs> บอกว่าตั้งแต่เราเห็นนางนีิโผล่ขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ได้นางใช่เราตายแน่ <c oughs> ตายวันนี้แหละอะไรเลยเลยข้าไปเลยโอ้ ท้าก็เลยถวายเท้าสกาดไปพธิ์ถ้าอย่กกนั้นโบงเอาไปก่อนด้แต่เท้าส ก, กาดตายวิมานล่มแนะ่นี่คือเท้าส ก, กาดทีนี้พูดถึงเท้าส ก, กาัดนี่คือตอนนี้ท่านท่านเป็นตอนนี้ท่านยังไม่ได้บรรลุนะในสูตร น, นี้ท่านมาบรรลุเนี่ยทีนี้ท่านก็กลัวเท้าส ก, กาดนั่นนะเมื่อได้เห็นปุกปฏิมิตรก็ทรงมองดูสมบัติทั้งหมดก็เทพนครหมื่นยนดใช่ไหมท่านก็เห็นแล้วก็ปราสาทตร์ไพชยันสูงพันยอดสุธรรมมาเทวสถานสูง300ร้ยชน์ ต้นหมาปริปัชชัดก็คือสูงร้อยยอดเนี่ยนะหินปันทุกกาพลศิลาอาจ60โยนดนางฟ้อนลำนั้น2น่โกดเทพบริษัทอีกสองเทวโลกก็หมายความว่าจาตุมด้วยที่ตัวเองปกครองอแล้วก็เดาดึงด้วยสวนนันทวันสวนจิตละดาสวนมิศกวันสวนปารุศกวันก็จะถูกความกลัวครอบงำท่าน <S <S เออสมบัติของเรานี้จกักฉิกหายแล้วเนาะเข้าใจาใช่ไม คนกลัวพากมีทรัพย์เยอะฉะนั้นในบรรดาคนมีทรัพย์มากเนี่ยเท้าสก่ามีทรัพย์เยอะเยอะจริงๆต่อไปก็มองดูความมีใครบ้างไหมเนาะไม่น่าจะเป็นสมณะหรือพรามณ์หรือพราหมณ์ผู้เป็นบิดาของโลกที่พึง่งจะถอนลูกศรคือความโศกความล่ําไรลําพันในใจของเรานี้ออกได้ทําให้สมบัติที่มั่นคงได้มองไม่เห็นใครๆก็ทราบว่ามีแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่า น, นั้นที่จะสามารถถอนลูกศรที่ปัอกอกของท่านออกได้ใช่ไหม เพาท่านถูกความทุกอย่างเอาอย่างนี้ก็ขวนขวายในการที่จะไปฝ้อพระบรมศาสดาแล้วก็ทราบว่าตอนนั้นพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่ไหนหนอท้าสกาก็ดำหลี่ว่าตอนนี้พระเจ้ายประทับที่จังหวัดไหนอาศัยเมืองอะไรอยู่กําลังสเสวยปัจจัยของใครอยู่แล้วก็กําลังแสดงอัมฤธรรมแก่ใครอยู่ก็ได้ทอดพระเนตรเห็นอัตสาโขก็บอกว่าทรงได้เห็นแทงตลอดอผู้นรทุกทั้งหลาย เราพอเห็นพทะเจ้าไปิเสร็จประทับวที่ทำมินทสาราแล้วก็เลยชวนเทวดาทั้งหลายเปิดเสร็จเพื่อไปเฝ้าพทธเจ้าทีนี้ในการที่จะไปนั้นเพื่อจะไปถามปัญหาพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่าเนี้ยแต่ในการไปในครั้งนี้ก็คือว่าเท้าส ก, ก่าเนี่ยก็ ต, ตรัสบอกแก่หมู่เทพเทวดาทั้งหลายพวกเราจะไปเฝ้าพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าปัญจสิกขาคนทานบุตรสบอกโปรดรับสนององค์การถือพินสีเหลืองดุดผ ล, ผ ล, ผลมาผลมาโตมีนะ สเสด็จตามเท้าส ก, กะไปด้วยในครั้งนั้นเท้าส ก, กะจอมเทพ น, นะชั้นเดาดึงก็แวดล้อมด้วยปัญจสิกขาคนทันเทพประบุก็อันตรธ า, านจากเดาดึงก็ไปเฝ้าพระเจ้ทาที่ภูเขาเวธียากะด้านเหนือแห่งบ้านพราหมชื่อว่าอันมพสนทิศตะวันออกแห่งกรุงราชคลื่ในแคว้นมคตเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกก็คู่แขนเข้าเชนั้นสมัยนั้นภูเขาเวธิยากก็ ปรากฏสว่างรุ่งโรยยิ่งนะักและบ้านพราหมณ์ที่ว่าอัมปสนก็สว่างสวยด้วยเทวานุภาพเหมือนกันก็แปลว่าเวลาเท้าสกาไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะที่ทำเท่านะหมู่บ้านใกล้ๆ น, นั้นก็พลอยสว่างสวยไปด้วยสมัยก่อนนี่นะถ้าพูดเรื่องเทวดาเนี่ยเขาเป็นเข้า ง, ง่ายมากเพราะเขาเห็นพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้านั้นปาฏิหารยิ่งกว่าเทวดาฉะนั้นเรื่องเทวดามาเฝ้าหนึ่งหรือปกติพรมมาเฝ้าเป็นเรื่องปกติก็ เ, เห็นทุกคืนเขาก็ ไม่ใช่เวลาที่เขาจะเฝ้าเท่านั้นเองออกมาดูกันเต็มหมดตื่นตะนอกกันหมดแหละคนยุคนี้เท่านั้นแหละที่บุญน้อยก็เหมือนอย่างนี้นะเอาปัจจุบันนี้ยอมสมานนั่งเรียนใครเรียนเกินมรรมตรีไปแล้วเคยเห็นภูเขาซิเนรู้ไหมเคยเห็นไหมไม่เห็นเลยแต่เคยเห็นไหมเห็นฮะแต่จริงๆไม่เคยเห็นใช่ไหมอ้าวเห็นไหมยอังน้องเห็นไหมเขาบอกคนที่ไม่เห็นเพราะว่าภูเขาพรสุเมรเนี่ยเราเห็นไม่ได้ จะเห็นได้โดยเฉพาะพวกเทวดาหรือพวกมีลิทธ์เท่านั้นเพราะภูเขาพระสุมเมรเนี่ยเป็นพบของเทวาภูมิเขาปัากลงในโลกของเราเนี่ยมันอยู่ติดโลกของเราเนี่แหละมันขึ้นไปเป็นตามลําดับเป็นบันไดเออเวียนขึ้นไปนั่นแหละนั้นจากสูุธรรมดาของเราเนี่ยมองไม่เห็นคนมีลิทธ์ถึงจะมองเห็นเทวดาทั้งหลายก็เห็นคนมีบุญทั้งหลายก็เห็นอุปมาไงเดียอุปมาเหมือนกับดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เนี่ย ที่เกิดมาบนท้องฟ้าแล้วไม่มีเมฆหมอกปิดบังเนี่ยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์น่ะส่องถามว่าสัตว์ที่อยู่ใต้ดินเห็นแสงอาทิตย์ไหมสัตว์ที่ตาบอดเห็นแสงอาทิตย์มยไม่นะด้วยสัตว์ที่อยู่ในโลกกันตานะโลกก็หมดสิเป็นต้นฉะนั้นเราทั้งหลายนะ่ะอธิบายกันไปเถอะวกเขาสูงนีไม่รู้จะไปเห็นได้ยังไงหนึ่งทิปย์เข้าใจไหมไม่ยอมอธิบายให้ตรงคําสอนกันก็มาเฉียงกันนี่ต่อประสมิยุ่งแม้แต่เนี้ย มันมีบุญที่ไหนคนไม่มีบุญไม่เห็นหลอก้องคนมีคเขาไม่สมบัติทุงคนมีบุญเข า, เขาจริงไหมจริงฮ ะ, ะงก็ต้องดูว่าอยู่กับภูเขาพระสุมเมนไหมถ้าอยู่ก็เป็นทิปยั่นะก็เป็นเป็นทริปนั่นเองนั่นเป็นทริปที่ท่านพัลนาเนี่ยเป็นพัลนาโลกทริปเข้าใจใช่ไหม <c oughs> นั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้เสียมันก็จบเลออยตรงเนี้ยนั่นวิ่งผ่านไปผ่านมามันก็ไม่ถูกหรอกใช่ไหมมันจะปากรองในจักรวาลนั่นสิ้น ก็เป็นแกนกลางของปัจัการก็เป็นเรื่องปกติมัยนี้มีคนมาต่งชุก็มีเรื่องพวกเขาพัสุเมร์ปฏิบัตก็ต้องอธิบายไงคนที่เป็นครูสอนทั้งหลายต้องอธิบายว่าพวกเขาวัสุเมร์เนี่ยคนมีฤทธิ์และเทวดาเท่านั้นที่เขาเห็นเพราะเป็นที่อยู่ของกลุ่มเทวดาเขาตร็ที่ฮะใช่ใช่อันนี้นี่ก็ตรงนี้ไงที่เนปาลนี่ไงอ่ายก็ไปม่แอันนี้ก็เนปาอันนี้ปายมพานบ้านเรา ของในโลกของเราไม่ใช่โลกเทปแต่โลกเทปมันอีกที่หนึ่งตรงนี้เราว่ากันไปนี่เข้าใจนะท้าท้าสกา ก, ก็พระศาสดาเนี่ยนะถามบอกว่าท้าสกากเนี่ยไปเฝ้าพราะผู้มีพระภาคเจ้าหลายครั้งแล้วทําไมพระบรมศาสดาไม่ทรงประธานโอกาสเพราะเมื่อก่อนเราโดยลาพังผู้เดียวเรายังไม่เห็นอุปนิสัยมรรคผลเป็นแน่ก็เมื่อเราไปเป็นผู้เดียวมีอุปนิสัยพระบรมศาสดาจะแสดงธรรมแก่ บ, บริษัท แม้สุดจักรวาลเนี่ก็แน่และในสองเทวโลกนั้นเนี่ยใครผู้ใดผููหนึ่งคงจะมีอุปไซเน่แท้เพราะปรมศาสดาทรงสมหม่ยเอาผู้นั้นแล้วทรงแสดงธรรมถึงเราเองเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วก็คงจะดับโคมนัดของตนเองได้เมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็เรียกเอาเพื่อนไปด้วยคืออย่างนี้ท้าส ก, กาโนเวียนไปหลายรอบใจเฝ้าพระเจ้าเพือพ่อพระเจ้าแสดงธรรมใต้ที่ไรพระเจ้าไม่แสดงพระเจ้าก็เข้าสมาบัติโอ้โเนะยทบกข์ไมอ้า คนเรารู้ว่าตัวเองจะตายแล้วจะไปหาคนดับความทุกข์โทมนะแต่พระองค์กลับไปอยู่ในสภาวะกลรมมากก็บิดหวังกลรมมาก็บิดหวังไม่ได้ฟังธรรมเมื่อกี้เนี่ยเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่อย่างสมัยปัจจุบันใช่ไหมประกาศว่มีการแสดงทํามไม่ค่อยมากกันหรอกเพราะเขาคิดว่าเขามีทุกข์เขาไม่นั่งถามถามนี่เขาม่คิดว่าเขาแล้วเขาไม่มั่นใจด้วยพระธรรมของพระเจ้าเนี่ดับทุกข์โทมานั้นให้ใจงาได้งนั้นต่อไปท่านทั้งหลายมั่นใจเถอะถ้าเป็นพระธรรมของพระเจ้าจริงๆนะ ทุกโทมนัสในกระแสจิตของท่านทั้งหลายแม้ทุกโทมนัสของของรูปของตาของจมูกลิ้นกายใจท่านที่ถกท่วมทับท่านิตดับได้แน่นอนเสพคุณเนี่ ย, ยนะดื่มพระธรรมก็ายาวมากดื่มทุกวันวันละสักสิบรอบรอบ ย, อยาวๆเลยนะั้ัง ท, ท, รรทําให้เป็นอธัธยาศัยตรึกทําให้เป็นอริยาศัยไข้ควระธทําให้เป็นอัธยาศัยดูดีแปลว่าเรากินตลอดแล้วบริโภคตลอดแล้วไม่หายได้ไงใช่ไหมไหมอจิตที่ค้มข้างเราจะหายนี่เราไม่ค่อยดื่มกันเนี่ยใช่ไหมจ้า โอ้โหเราไปดื่มสารพิษเต็มไปหมดแล้วมั้งเนี่ยถ้าใจไม่ดื่มสารพิษนยะฟังเพลงบ้างเสพมิจฉาทิฏฐิบ้างเจ๊ะไหมสนทนาเรื่องที่ไม่เป็นพระธรรมบ่อยไหมบ่อยไม่บ่ อ, เอาเจอหน้ากันคุ ย, เ, ยเป็นยังไงสบายดีไหมสุขไปไหมเผนไปเลยกัยนไหมมีลูกกี่คนเออเป็นยังไงลูกเรียนจบหรือ ย, ยังอ๋อลูกเรายังเลยเนี่ยเรายังเดือดร้อนอยู่อีกคนนึ่นี่เลี้ยงยังไงก็ไม่ตโตเป็นปัญหาเยอะเนี่ยหนาวเป็นพระธรรมไหมไม่ใช่อย่างนี้เราเสพ ใจเราเสพด้วยไหมตอนนั้นเรากินไหมนะเรากินสิ่งที่ผิดๆตลอดเวลาเราเสพคุ้นสิ่งที่ผิดๆตลอดเวลาแล้วอย่างนี้จะหายจากความกวนกวายใจได้ไหมเพราะฉะนั้นนเราต้องเอาพระธรรมลาดลดบ่อยๆลาดลดลงไปบ่อยๆเอาให้สงบให้ได้จิตที่ค้มคลั่งอะ่ะคําว่าค้มคลั่งในที่นี้คือจิตที่รับอารมณ์ซัดใส่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะเนี่ยเท้าสกัดไปหลายรอบไม่ได้รับฟังธรรม แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งด้วยนะทีนี้พวกเทวดาชั้นเดาดึงรับสนองราชองค์การตลอดถึงคนทันนะปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรตักเรียกพอเทวดาเหล่านั ets, ้นทําไมจึงตรัสเรียกปัญจกคนทันเทพบุตรไปหรอกถามว่าเอ๊ะทำไมเท้าสก่าไปทำไมเอาปัญจกคนทันเทพประบไปด้วยอยากรู้ไหมเพื่อให้ขอประธานุพะโอกาสเล่ากันว่าเท้าสก่านั้นได้ทรงมีความคิดบอกว่า การจะพาเทวดาในสองเทว โ, โลกไปเฝ้าพระเจ้าพร้อมกันไม่เหมาะไม่เหมาะแน่นอนคือเยอะใช่ไหมเอาเทวดาในชั้นดาวดึงไปด้วยเอาเทวดาในชั้นจ่าตมไปด้วยเหมือนกับเกรนทัพใหญ่ไปเป่าพระเจ้าเลยอย่างเงี้ยเอจะไม่เหมาะถ้ากะไรเนี่ยให้ปัญจสิกขาคนทันเนี่ยเป็นเสมือนหน้ามากเพราะปัญจสิกขาคนทันเทพบุตรเนี่ยคุณเคยอยูุ่เบกยา ปัญจสิกขาคนทัานเทศบระบุตรเนี่ยเวลาไปเบิดเสร็จเนี่ยเพราะเคยดีดพินที่เหมือนจะมาตรมสกเลยนะพินของท่านเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาแดพ่พระเจ้าคือมีความคุ้นเคยพระเจ้าแล้วปัญจคนท่านปัญจสิกขาคนท่านเนี่ยแกหลงรักนางสุรยิรยวัชสารรักเขาข้างเดียวตื่นนางไม่เล่นด้วยอยากฟัง ทักนิดหน่อยไว้ว่าปัญจศิกขาคนทันก็พภาลานาความงามของของผู้หญิงคนนี้ยังไงเออเวลาเขาจะเป็นเป้าพระเจ้าเนี่ยท่านก็ไปดีพินถวายพระเจ้าเป็นเสร็จท่านก็ไปสรรเสริญไปสรรเสริญความงามของนางสุริยวัชสาในขณะเดียวกันก็ไปกล่าวเรื่องพระนิพพานซึ่งพระอริยเจ้ายินดีทีนี้พอตอนนี้นะหลังจากนั้นเบียดเสร็จใช่ไหมเท้าส ก, กาก็ตัดเรียกปัญจคณศิขา เทพของคนทันได้บวโวพอ่อปัญจศิขาตตาคตผู้ได้ฌานนัยยินดีในฌานบัตรนี้ทรงเข้าสมาบัตรอยู่คนเช่นเราเข้าเฝ้าได้ยากนะักถ้ากะไลเธอจงทําให้พระบรมศาสดาทรงโปรดก่อนเมื่อทําให้พระบรมศาสดาทรงโปรดแล้วพวกเราจะได้เข้าไปพอ่อพระพุทธเจ้าพ้าผู้เอกภาคอันตรานสมาสำมุติเจ้านั้นในภายหลังปัญจสิขาคนทันรับสนองเทวาองค์การแล้วก็ถือพินสีเหลืองดุดผลประตูเข้าไปถ้าที่ถ้าอินทสาระ ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งมีสองประเด็นนะประเด็นแรกเท้าสากาดเนี่ยพาไปสองเทวโลกใช่ไหมพาบริวารทั้งทั้งชั้นเดาดึงทั้งชั้นจ่าตุ้มไปเยอะแยะหมดเลยเพราะต้องการอยากจะให้พระเจ้าแสดงธรรมโปรดเท้าสากาดพิจารณาดูว่าในทั้งสองเทวโลกเนี่ยประชากรเป็นเลือนหลายหลายแสนหลายหลายล้านเนี่ยนะที่ไปในครั้งเนี่ยนะเทวดาไปกันหลายล้านนะื คือยกประเทศไปอ่ะยกสองประเทศลองคิดดูแล้วเทวดาสองเทวภูมิเนี่ยมากหรือไม่มากนะก็เป็นมนุษย์เราเนี่ยปลาไปถึงหกสิกว่าล้านยังไม่ในประเทศไทยอันนั้นไม่รู้เป็นจำนวนไม่รู้เท่าไหร่ลองมากันเลยว่างั้นเถอะเทไปเฝ้าพุทธเจ้าแต่เทวดาจะเขาสามารถเนรมิตตัวให้เล็กได้ใช่ไหมร่างกายท่านนเล็กได้เป็นต้นก็ บอกว่าในจํานวนประชากรที่เราเกณฑ์ไปในครั้งนี้คงจะมีสักคนที่มีอุปนิสัยการมารรลุใช่ไหมท่า น, นพระเจ้าต้องแสดงธรรมและในขณะเมื่อแสดงธรรมเสร็จนะพระเจ้าต้องปาราลบเราเพราะเราเป็นหัวหน้าคขาไปเราเป็นพระราชานี่นี่ประการแรกประการที่สองท่านก็นหยุดยั้งเนี่ยสั่งไว้ก่อนบอกว่าไอ้ตอนนี้ยังเข้าเป้าไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงหลีเกเล้นอยู่เกรงพระราชาใไทยพุทธเจ้ า, จาก็ให้ปัญจาสิขาคนท่านเนี่ย เข้าไปถามดูความเป็นไปเป็นมาก่อนเพราะเท้าสกัดเนี่ยใส่การจะเข้าเฝ้าหลายครั้งแล้วเฝ้าไม่ได้โอ้เข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าพบได้ยากมากเข้าพบได้ยากถามว่าทุกวันเนี่ยเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายากไหมอายากไม่ยากยากไหมถามจริงๆจะเข้าเฝ้าได้หรือยังเนี่ยได้หรือยังยังเชื่อมไม่ถึงนะเรายังเชื่อมไม่ถึงพระพุทธเจ้ากันเท่าไหร่นะถ้าเชื่อมถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไรเนี่ยหมดภารักมานมาทันทีเนี่ย พุทธเจ้าจะทํากิจทันทีตอนนี้จะมาพยายามมาทํากิจในการจะเชื่อมเราถึงพุทธเจ้าเราก็ยอมอึดอึๆกันอยู่ใน่ไม่ยอมถึงนาทีใช่ไหมนะถ้าถึงเบเบนี้นมาสบายแล้วเพราะเราจะเราจะเข้าใจพุทธเจ้าทีนี้ทีนี้ตอนนั้นนะนะหลังจากที่พระสะกา่าบอกอย่างนั้นแล้วปัญจสิกขาคนทันก็เข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วก็ได้ยกพินขึ้นบันเลงกล่าวคถาพลนาพระพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ และอาหารหันตคุณแล้วเกี่ยวเนื่องกับกามใช่ไหมปัญจสิกาคนท่านเนี่ยแกภ า, าลนาอะไรพุทธคุณพาลนาธรรมคุณสังคคุณแล้วก็อาหารหันตะคุณแล้วก็พาลนาเรื่องการมาคุณลองสังเกต ด, ด้นะท่านบอกว่าในข้อที่สองรอยสี่สิบแปดน้องสุริยวัชสาที่ท่านหลงลักคนนี้อยู่เทพธิดาคนนี้อยู่พี่ขอไหว้เท้าติมพรุผู้เป็นบิดาก็คือขอไหว้บิดาของนางก่อน ผู้ให้กำเนิดน้องผู้เป็นเทพกัญญานี้เป็นนี่นะคือดิดพินไปด้วยร้องเพลงไปด้วยยังความยินดีให้เกิดแก่พี่น้องผู้มีรัศมีอันเปล่งปลั่งเป็นที่รักของพี่ก็อย่างนี้ดุดลมเป็นที่ปรารถนาของผู้มีเหงือ่อถามว่าเวลามีเหงื่อเนี่ยปรารถนาลมไหยปรารถนาใช่ไหมดุดน้ําเป็นที่ปรารถนาของคนผู้กระหายดุดธรรมเป็นที่รักของพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นไหมเนี่ยถ้าท่านพัลลนา พรนาพระธรรมคุณปรน า, าอาหารหันตคุณแล้วก็เชื่อมกามคุณนี้เห็นคือท่านเนี่ยยังมียินดีในานางสุริยวัชรสาท่านก็เชื่อมความงามความเพลิดเพลินต่างๆแล้วก็เชื่อมไปถึงนู่นน่ะพุทธคุณธรรมคุณเลยแล้วก็ดูดยาเป็นที่รักของคนไข่หนักดุดภาชนะเป็นที่รักของของคนหิวเช่นั้นไปถามมาพิจารณาอย่างนี้เราก็มาพิจารณาถึงพระธรรมทีนี้อันอัฏฐาพระธรรมไม่ออกนะอันอัฏาพระธรรมก็บอกว่า ถามบอกว่าพระธรรมเนี่ยมรรคสี่พ้นสี่นิพานหนึ่งพระปริยัติธรรมหนึ่งพระนะพระสัตธรรมสิบประการเนี่ยถามว่าเป็นที่รักของพระรหันต์และเป็นที่รักของเราไหมพระธรรมเป็นที่รักของเราไหมพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเป็นที่รักไหมถ้าเราไม่รักพระธรรมนะถ้าเราไม่ยินดีในธรรมเนี่ยเราก็ยินดีในกรรมกุลนั้นต้องยินดีในพระธรรมของพระุทธเจ้าขอแม่จงช่วยดับความกัดกุ้มของพี่อนิหมายถึงบอกนางกฤยวัชสาเนียโดนเอา ราวีดับไฟที่กําลังโพรงใช่ไหมแล้วก็เมื่ อ, อไรเนอพี่จัดได้อย่างลงสู่ระหว่างถันอยู่บนดูดูเนี่ยเป็นต้นอะไเนี้ยท่านพัลนาเกี่ยวในเรื่องของวัตถุกรรมแล้วก็ในส่วนจริงๆท่านก็จะไปพัลนาเกี่ยวในเรื่องของของเกี่ยวกัประเรื่องเหตุผลตรงนี้ก็คือจริงๆแล้วท่านไปถวายพุทธบูชาเนี่ยเพื่อให้ขอประทานว่าโอโลกาสแล้วก็ไปทูลถามปัญหาฟังธรรมได้ทุกขณะที่ต้องการ พวกเราส่งปัญจสิกขาล่วงหน้าไปก่อนขอประธานวโรกาศแล้วจึงเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาเวลาที่ปัญจสิกขาประธานวโลกาศเสร็จแล้วจะตรัสเรียกเพื่อขอให้ประธานวโลกาศแล้วก็เสนอะราชองค์การเป็นต้นเหล่านี้คือตรงนี้ก็กล่าวสรุปสรุปดีกว่านะในรายละเอียดเดี๋ยวมันจะยาวไปเนี่ยสรุปอย่างนี้สรุปก็คือว่าเท้าส ก, กาัดนี่ไปเฝ้าพทะเจ้าหลายครั้งแต่พทธเจ้านั้นไม่ให้พบจริงๆแล้วเห็นอุปนิสัยว่าเท้าส ก, กาัดเมื่อพบไม่ได้บรรลุนิม พระ อ, องค์ก็หยุดยั้งไว้พอต่อมาตรงเนี้ยเมื่อเบ็ดเสร็จแล้วพอปัญจสิกขาคนทันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็นสนทนากันไปสนทนากันมาเทา้าสกา ก, ก็หืมกระวลกระวายเมื่อไรท่จะขอโอกาสให้เราสักทีใช่ไหมก็ในสุดจริงๆก็กระซิบปัญจสิกขาบอกก็ได้ทูลบอกพระพุทธเจ้าหรือยังว่าเทา้าสกาก็จะเฝ้าเือแกกังวลกังวายแกก็กลัวตายแกอยู่แล้วใช่ไหมในสุดจริงๆปัญจสิกาก็ทูล บอกออพระเจ้าก่อนหัวยาเที่เฝ้าเมื่อไปเฝ้าเบสเสถ่าสากะก็ไปกราบพระยุคคนบาดของพระบรมศาสดาแล้วก็ตัดพ่อว่าข้าพระองค์เนี่ยก็ไล่ตามลําดับสมัยหนึ่งมาเฝ้าพระเจ้านะพ่างั้นตอนนั้นพระบรมตอนนั้นมีเทพพิดาเนี่ยนะถือไงานพัดพระเจ้าอยู่ด้วยตอนนั้นน่ะไม่ทราบว่าพระศาสดาแล้วข้าพเจ้าก็กราบก่อนพื่เกลีใจเห็นพระองค์นั้นสงหลดีเล่นอยู่ในสมาบาัติ แล้วก็บอ ก, กบเทวดาที่เฝ้าอยู่ที่ประตูนั้นแหละบอกว่าให้กราบทูลพระบรมศาสดาด้วยว่าเท้าสกาวเฝ้าเฝ้าไม่ทราบว่าเมื่อครั้งกันโน้นน่ะเทพวดานั้นได้กราบทูลหรือไม่พระบรมศาสดาบอกถามพระเจ้ายังจําได้ไหมพระเระจ้าบอกจาได้ในครั้งนั้นน่ะล้อราชฉลุของเธอเนี่ยเสียงเพลาเสียงเสียงเพากระดุมมันกระทบกันน่ะแต่ถามก็ยังได้ยินเลย ก็หมายความว่าที่เธอลงมาจากสวรรค์น่ยที่มาจากราชรถเนี่ยการกระทบกันระหว่างเผาระหว่างดุมระหว่างล้อเนี่ยนะที่กระทบกันที่ดังนั้นนะ่ยตาคาคดก็เล้นออกจากชานแล้วก็รู้ว่าเธอมาท้าวสกาวก็บอกอ๋อแสดงว่าเจ้ารู้แต่ตะไบวุฒิเจ้าแหวงก็งแล้วต่อมาเนี่ยก็เลยเปิดโอกาสให้ถามปัญหา14ข้อที่จะมากล่าวตรงนี้แหละอันนั้นมีรายละเอียดนะไม่ไปตามรายละเอียดจะ ต, ตามรายละเอียดจริงอย่างเดียวเลยกลายเป็นกล่าวในเรื่องของส ก, กาวปัญหาสูตร ส่วนนี้ก็ยาวมากอันนี้มาตัดข้อความเฉพาะเอาการถามปัญหาสรุปแล้วเมื่อท้าวสก่าได้เข้าเฝ้าพ ร, าะระบรมศาสดาก็มีการถามปัญหาในปัญหาข้อแรกก็คือบอกว่าท้าวสกา่าก็ถามถามเรื่องความลิศยากับความตนตนี